คุณชาวเอสทาวยังพูดด้วยซ้มมําครับว่าผมก็รู้สร้างขึ้นมาทําไม <laughs> คือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ํามันมีประโยชน์อะไรในตอนแรก <c oughs> อ่ะอในช่วงแรกๆไม่มีใครรู้นะครับว่าเลเซอร์มีประโยชน์อะไร <c oughs> มนรุษย์ในยุคหลังจากนั้นหน่อยๆเขาเริ่มมาต่อมาเติมมาพัฒนากันแปลว่าตอนนั้นเขาก็ทําขึ้นมาโดยที่ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรไม่รู้วิทยาศาสตร์เป็นแบบนี้แล้วตอนที่ได้รางวัลโนเบลรู้หรือยังคะว่าเรารู้แล้วรู้แล้ว You're listening to the Standard podcast The eye-opening experience for your ears ได้ไดในโลกลวนฟิสิกส์ p o แ c a s t วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัว นอกจากแบบดับเลเซอร์ในสตาร์วอลแล้วนะคะจริงๆแล้วเลเซอร์เนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันเราเยอะมากนะคะอยู่หลายแวดวงเลยไหนจะ ก, การแพทย์ศิละปะหรือว่าเครื่องใช้ในสํานักงานที่เราคุ้นๆกันอยู่นะคะแต่ว่าตัวเลเซอร์เองจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะคะวันนี้ชวนมาคุยกันในใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์นะคะเช่นเคยก็อยู่กับฟางรัตทโรจิตพนาค่ะและผมอาดวรรงค์จันทมาศครับพี่ปองแต่งเลเซอร์คืออะไร มันคือมันมันคือแสงใช่ไหมพี่มันเป็นอุปกรณ์ให้กำเนิดแสงฮะแต่เอางี้ก่อนก่อนจะบอกว่ามันคืออะไรคำว่าเลเซอร์เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวอักษรที่ย่อมาจากคำเต็มยาวๆนะรู้ป่ะใช่ชื่อเต็มมันมันคืออะไรครับเดี๋ยวโหลดครับนึงนะคือก่อนจะเข้ารายการท่องละแล้วพอถ่ายรายการเสร็จอ่ะก็จะต้องเอามันกลับไปยังร e c ซ c l e b บิของสมองเืองที่เืองที่มันคือ Light Amplification by Stimulated Emission of r a d i a t i o เอชันปมมื อ, ม, อ, อมันมันคืออะไรคะับ ค, ความยาวของมันนี้ช่วยขยายความความหมายของมันไหมคะขยายธรรมชาติการกำเนิดแสงของมันแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือกำเนิดแสงที่มีประโยชน์สูงมากๆคือมันเป็นอุปกรณ์พลิกโลกสุดๆไปเลยนะครับโลกของเราทุกวันนี้กล่าวได้ว่าถ้าไม่มีแสงเลเซอร์เนี่ย มันจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆเพราะเลเซอร์เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มีคุณสมบัติแปลกประหลาดที่แหล่งกําเนิดอื่นๆไม่มีปกติรู้จักแหล่งกําเนิดแสงอะไรบ้างอะเทียนไขอกองไฟอันนี้แบบโบราณเลยดวงอาทิตย์อย่างนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงเหมือนกันหรือว่าไฟสตูของเราไฟสตูหลอด LED ทําไมต้องมีเลเซอร์ในเมื่อเรามีแหล่งกําเนิดแสงอื่นๆ แล้วทาไมคะอย่างแรกเลยครับเลเซอร์เนี่ยมันต่างจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆโดยสิ้นเชิงตรงที่ว่าตัวมันมีความเป็นโมโนโครมสูงมากโมโนโครมโมโนโครมคือแบบความเป็นสีเดียวถ้าเราสร้างเลเซอร์ที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะให้สีแดงที่แดงจริงๆมันจะมีแดงอื่นๆที่เป็นเฉดที่ไม่ต้องการออกมาป ะ, ป, ะปนน้อยมาก น้อยแบบน้อยมากๆนี่คือคุณลักษณะสำคัญข้อแรกเลยนะครับข้อสองที่เลเซอร์มีคือ directionality หรือความเป็นทิศทางคือมันเป็นลำแสงที่มีความตรงสูงมากเราสามารถใช้เลเซอร์นะฮะยิงเป็นเส้นตรงออกไปท้ดดีจริงๆเนี่ยเป็นหลายกิโลเมตรโดยที่มันแทบไม่บานออกเลย เพราะว่าถ้าเราดูแบบอสมมติเราจุดไฟแช็กเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความนวลนวลสว่างออกมาไปทั่วทุกทิศทางแต่เลเซอร์เนี่ยออกไปเป็นเส้นไปเอี๊ดออกมาแบบเนี้ยรูปเนี้ยเป็นเส้นตรงออกไปแบบนี้คุณสมบัติข้อที่3คืออะไรเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าข้อหึงข้อ2เนี่ยมันเจ๋งมากแล้วก็แสงอื่นๆนะฮะสมมุติว่าอย่างแสงที่เราใช้ในการถ่ายรายการอย่างเงี้ยมันเป็นแสงสีขาวมันไม่ใช่โมโนโครมแน่ๆเพราะว่ามันประกอบไปด้วยสีเยอะแยะเต็มไปหมดพอรวมออกมามันเลยขาวคนึกออกไหม หรือถ้าเราเอาหลอด LED อาจจะเป็นสีแดงสีอะไรก็ตามพวกเนี้ยก็ดูจะเป็นโมโนโครมนะสมมติเปิดหลอด LED สีแดงไงฮะเราก็ก เ, เห็นมันเป็นสีแดงแต่มันไม่แดงฉานเท่าเลเซอร์อแล้วอย่างที่สองคือ LED เนี่ยแสงมันก็เปล่งไปทั่วนะครับแต่ในขณะที่เลเซอร์มันออกมาเป็นลำแบบพุ่งเป็นเส้นตรงเลยอืโดยที่ไม่ได้ต้องมีอะไรเฟ ร, รมมันแต่ว่ามันไปมันไปของมันอมเองแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าไฟอย่างอื่นไม่มีประโยชน์นะครับคือ มันแล้วแต่การประยุกต์ใช้แต่เลเซอร์เนี่ยเป็นของที่ใหม่มากสําหรับสําหรับมนุษยชาติเพราะมันเกิดขึ้นมาได้ไม่ถึงร้อปีนี้เลยนะมันเป็นของใหม่มากๆแล้วก็ไฟฉายอย่างเนี้ยที่ผมบอกไปนะถ้าเราเปิดไฟฉายเนี่ยแสงมันอ่อนออกไปเร็วมากแล้วมันก็กระจายด้วยซึ่งจริงๆมันดีนะถ้าเราเปิดเอาเลเซอร์ไปใช้แทนไฟฉายไม่ได้ใช่ไหมเปิดเลเซอร์ไฟเตอร์เอ้ยห้องมืดจังเลยเปิดเลเซอร์ไฟเตอร์มันก็ยังมืดอยู่อ่ะมันก็ใช้ไม่ได้เนาะโอเคดังนั้น จะเห็นได้ว่าเลเซอร์มีคุณลักษณะที่เจ๋งมากๆสองอย่างละค่ะความเป็นโมโนโครมหรือสีเดียวกับเป็นลำเป็นลเป็นทิศทางตรงมากอย่างที่สามคืออันนี้ค่อนข้างยากเลยเก็บเอาไว้คือความเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า coherence ภาษาไทยถ้าแปลตรงๆจะใช้คาว่าความเป็นอา์พันแต่ผมแปลให้แล้วกันมันคือแปลไทยเป็นไทยเป็นอ่าคือความพร้อมเพรียง ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ด <Okay. S 1> ีขออีกอสเตปนึงลองนึกภาพแสงนะฮะมันเป็นคลื่นที่มีลักษณะคล้ายๆกับเอาเชือกมาสะบัดอืมอือเป็นคลื่นไปสะบัดไปเหมือนคลื่นทะเลคลื่นน้ําอะไรไปสะบัดขึ้นลงขึ้นลงทีนี้การสะบัดเชือกเนี่ยมันก็มีทั้งสะบัดพร้อมกันไม่พร้อมกันอะไรยังไงเลเซอร์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเชือกที่มีการสะบัดพร้อมกันทุกคนสะบัดพร้อมกันหมดอยอดคลื่นตรงยอดคลื่นยอดคลื่นตรงยอดคลื่นด้านล่างตรงด้านล่างอย่างเงี้ยทั้งล่ยำกันใช่ พร้อมเหมือนทหารแบบเดินสวนสนามครับตึบตึบตึบอย่างเงี้ยพร้อมกันไปหมดเลยเจ็บไหมออแล้วเราความพร้อมนี่มันส่งผลต่อคุณสม บ, บัติอะไรของมันไหมคะโอ้ถามได้ดีมากตรางี้ก่อนความพร้อมมีประโยชน์อะไรเต้องบอกว่าทั้ง3คุณลักษณะนี้มันอุดหนุนเกื้อกูลแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะมากๆความพร้อมกันเนี่ยมันทําให้นักฟิสิกส์ใช้ในการทดลองได้เยอะมากโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องการแทรกสอดของแสง นะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนใครที่เรียนฟิสิกส์สอย่างนี้สําคัญมากและเราจะต้องใช้คุณสมบัติความเป็นโคเรลเอนซ์หรือความพร้อมเพรียงความเป็นอาพันธ์ตรงนี้อยู่ตลอดนะมันถึงจะเห็นผลการทดลองที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทดลองไปน ะ, ะความเป็นสีเดียวกับความเป็นเส้นตรงความเป็นเส้นตรงเนี่ยมันทําให้ลําของมันมีความเข้มสูงมากถ้าเราทําให้ความเข้มของมันสูงมากๆลําเลเซอร์มันจะพุ่งออกไปได้ไกลมากๆมันใช้ในการ ศึกษาเชิงการสำรวจวิศวะเชิงสำรวจเลยก็ตามเราใช้ลําเลเซอร์ในการพุ่งเป็นเส้นตรงหาจุดน้นจุดนี้ทําแผนที่ทําการวัดอะไรต่างๆเลเซอร์เนี่ช่วยได้เยอะมากช่วยในการส่งสัญญาณข้อมูลต่างๆก็ใช้เลเซอร์นี่แหละนะถ้าใช้ไฟฉายเนี่ยต่อให้ใช้สายไฟเบอร์ออปติกนะมันก็ไปได้ไม่ไกลหรอกแต่เลเซอร์มันเป็นเส้นตรงมันไปได้มันล็อตอยู่ในสายน้อยมากมันมีประโยชน์มาก<ะ>แล้วก็ความเป็นสีเดียวหรืออะไรพวกนี้มันก็มีประโยชน์ของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาเราจะใช้เลเซอร์ทางด้านการแพทย์ เลเซอร์ทำอะไรเกี่ยวกับการแพทย์ได้เลสิกทำเลสิกถ้าถ้าไมอยากใส่แว่น<ะ>ก็ไปทำเลสิกถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วว่าร่างกายทำได้อะไรยังไง<ะ>ก็ไปทำนะครับ<ะ>ถ้าร่างกายทำไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงเนา ะ, ะ, ะ ก, ก็ปลอดภัยก็คือเขาใช้ในการปรับลูกตาฮะให้มันให้มันไม่เป็นสายตาสั้นสายตายาวเนา ะ, ะนอกจากนี้ในทางการแพทย์เนี่ย ความที่มันมีขอบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มีสีเดียวทําให้เขาควบคุมพลังงานมันได้ดี ม, มันก็เลยช่วยในการผ่าตัดได้เยอะเอออันนี้ฟังสงสัยว่าโดยโดยความเข้าใจเรารู้สึกว่ามันเป็นแสงแต่ทําไมมันถึงสามารถแบบผ่าตัดได้อะพี่โอ้พลังงานมันสูงมากปกติถ้าผมจะเอามีดมาหั่นนะครับคือผ่าตัดเนี่ยมีต้องคมถูกมไห ม, มเพราะถ้าไม่คมอ่ะผมก็เอาค้อนทุบแขนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผ่าตัดมันก็คื <นำ S 1> อทำให้บาดเจ็บไปทั่วแต่ผมอยาก เกิดเ้ยข้างในเป็นไรอะ่ะผมก็เอามีดใช่ปะแต่่า<ๆ>เลเซอร์เนี่ยมีข้อดีมาก่อสมควร<ๆ>เช่นว่าถ้าเราใช้เลเซอร์เนี่ยในการรักษาพวกจอประสาทตาหรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะหนึ่งเลยคือแผลมันน้อยมากเราควบคุมขอบของเลเซอร์ได้ดีมากเราควบคุมพลังงานเนื่องจากมันโมโนโคร ม, มากเราจะควบคุมพลังงานให้มันไปโดนไอ้นอนไอ้นี่เนี่ยได้ตามที่ต้องการมากๆมัน precise คือมีความแม่นยา มากๆเลยตัวเลเซอร์มันแม่นยมากๆอะ่ะขนาดที่เขากล้าเอามาใช้ทำเลสิกเอาอยี้แล้วกันกับดวงตาที่ดูเซนซิทีฟมากๆเซนซิทีฟสุ ด, สดๆดดแล้วจอประสาท ต, ตาข้างในอย่างเงี้ยมันก็เซนซิทีฟเข้าไปอีกแต่เลเซอร์ช่วยมานักต่อ น, นักแล้วหรือแม้แต่การผ่าเนื้องอกหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเลเซอร์ Laser เนี่ยมันทำให้การผ่าตัดอะไรพวกนี้มันมีความเป็นไปได้งั้นตอบคำถามก่อนว่าทาไมมันใช้ในการผ่าได้คาตอบคือเลเซอร์เนี่ย พลังงานมันสูงขนาดตัดพวกเนื้องอกจะ ต, ตัดเนอเยได้ดังนั้นในแง่หนึ่งเลเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่อันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยห้ามเอามาเล่นกันเด็ดขาดคือต้องชี้ไปที่พรีเซนเทชันอย่างเดียวนะฮะมันเข้ามาที่พวกดวงตาอะไรพวกนี้ตาบอดได้นะครับ อ, อันตรายมากตรงนี้ต้องระมัดระวัง แล้วถ้าอย่างนี้โอเคมันมีพลังมหาศาลแล้วก็ต้องใช้มันอย่างถูกถูกต้องเนาะแล้วมันถูกเอาไปประยุกในแวดวงไหนๆอีกไหมคะพี่ที่ใช้แสงเลเซอร์ในการทำงานอุยเยอะเลยา a r c o d e อ่านติดติดติดเนี่ยแสงมันต้องมีความชัดเจนมีความแม่นยำก็ใช้เลเซอร์หลังๆอาจจะมีอย่างอื่นมาแข่งนะฮะที่ถูกกว่าก็มีแต่ว่าเลเซอร์ก็เป็นตัวเลือกที่ที่ดีหรืออาจจะเป็นเลเซอร์ ใช้ในการทำเครื่องเครื่องเครื่องปริน์อะไรพวกนี้มันเยอะมากเลยเลเซอร์เลเซอร์พอยเตอร์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนเนาะ uh, ซึ่งเลเซอร์พอยเตอร์เองเนี่ยก็ uh, สำหรับผมมันเป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งมากนะจากเดิมเลเซอร์ในยุคแรกๆที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันใหญ่เหมือนตู้เย็นนะใหญ่มากออพอพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมันเล็กขนาดอยู่ในมือสุดยอด อืมค่ะค่ะแล้วพอเรารู้ว่าเออมันมันใช้ทำอะไรแต่ออจริงๆเมื่อกี้เราอยู่ในสกลแบบในชีวิตประจำวันที่ปองแปงแต่ถ้าเราถามไปถึงนักฟิสิกส์ในยุคนี้เขาเขามีแผนการจะแบบพัฒนาเลเซอร์แบบไปสู่อะไรที่ใหญ่กว่าในชีวิตประจำวันเราอีกไหมคะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นอย่างเช่นการาการทดลองสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันก็ใช้เลเซอร์เหรอคะเออแนวทางนึงคือการใช้เลเซอร์นะฮะมายิงให้ให้พลาสมา แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ลําเดียวน ะ, ะสหรัฐที่เขาเป็นข่าวเนี่ยเขาใชนะ่เขาสามารถปล่อยลําเลเซอร์192ลําสเล็งไปจุดเดียวให้มันโฟกัสเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนเกิดปริอาฟิวชั่นแบบดวงอาทิตย์ได้ oh. แล้วที่เป็นข่าวคือมันคายพลังงานออกมามากกว่าเลเซอร์ที่ใส่เข้าไปใช่ใส่เข้าไปร้อยหนึ่งมันคายออกมา150อย่างเงี้ยซึ่งมันน่าทึ่งมากแต่ข่าวนี้จริงๆยังห่างไกลจากการเอามาประยุกต์ใช้เพราะว่า ถ้าคิดถึงไฟฟ้าที่เอามาปล่อยลำเลเซอร์นี่ก็ยังไม่ยังไม่คุม้มทุน<า>ในทางดาราศาสตร์เรามีการใช้เลเซอร์ในการเขาเรียกว่า d a p ดปตีฟ o p p t i c ผมไม่ลงราย ล, ายเละเอียดแล้วกันแต่มันช่วยทำให้เราดูดาวอะไรต่างๆได้ข้อมูลที่ชัดเจนแม่นยำขึ้นเรามีเลเซอร์สำหรับยิงไปที่ดวงจันทร์แล้วเอากระจกไปวางแล้วให้มันสะท้อนกลับมาเพื่อวัดระยะจากโลกถึงดวงจันทร์ที่แม่นยาเยอะมากอะ่ะหรือ การทดลองว่าแสงเร็วเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ใช้เลเซอร์ซึ่งซึ่ ง, <อ>งมันก็แม่นยํากว่าแหล่งกําเนิดแสงอื่นๆอะไรพวกนี้<อ>รวมทั้งการจะพยายามนิยามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรืออะไรพวกนี้พวกนี้ก็อยู่ในพวกเกี่ยวกับเลเซอร์นะ<อ>แล้วนอกจากนี้เลเซอร์เนี่ยมันยังมีความย้อนแย้งอีกอย่างหนึ่งคือผมบอกแล้วว่าเลเซอร์ถ้ายิงร้อยิบสองลำไปที่เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยมันทําอุณหภูมิได้เป็นหลายสิล้านองศาเซลเซียสแต่ด้วยเลเซอร์เนี่ยเราสามารถทําให้มันทำให้อตตอมเย็นลงได้ด้วยนะ เ ย, เ, เย็นแบบเข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์คือเย็นจัดเย็นจัดในระดับที่เป็นขีดจำกัดของเอกภพด้วยเลเซอร์ก็ได้เขาเรียกว่าเทคนิคเลเซอร์คุลลิง่งมันประโยชน์มันแบบเยอะมากแล้วคือคนที่ศึกษาอะไรพวกนี้ไดโนเบลนะครับอี่คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากของมนุษยชาติคนทำเลเซอร์คุลลิง่งอะไรพวกนี้ <laughs> แต่ว่าหลายๆคนอะก็คือเราอยู่ในยุคนี้เราเห็นเลเซอร์แล้วแต่หลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วใครเป็นคนคิดมันอะมันมาจากไหนอใครใครคือจุดกําเนิดของตัวเลเซอร์คะพี่ผมอาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกคือเรื่องของหลักการเนา ะ, ะออแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของ e n นจิเนียริก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยมันเป็นเลเซอร์ที่เราเสพเข้าใจง่ายมันคืออะไร ม, มีประโยชน์อะไรแต่ตรงเนี้ยากเลยผมเตือนแล้วนะคือมันยากอะ่ะคนที่จุดประกาย เรื่องเลเซอร์นะฮะหรือหลักการอของเลเซอร์คนแรกเนี่ยคืออ l b เ r ิร์ตไอสไต์ในเรื่องของหลักการนะครับหลักการมันง่ายมากเข้าใจง่ายเลยอันเนี้ยสำหรับผมนคืออะตอมก่อนอะตอมมันจะมีอิเล็กตรอนอยู่นะครับเป็นตัวอยู่รอบๆอบนิวเคลียสเนาะอิเล็กตรอนเนี่ยถ้ามันได้รับพลังงานแสงหรือโฟตอนเข้ามามันจะกระโดดขึ้นไป ที่ระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้นห่างออกไปเขาเรียก excited state หรือสถานะกระตุ้นทีนี้ไอสถานะกระตุ้นเนี่ยทิ้งไปสักระยะหนึ่งมันจะตกกลับลงมาแล้วมันก็จะคายแสงเมื่อเมื่อตะเกียบที่มันดูดเข้าไปนะฮะกระเด็นออกมาแล้วนั่นคือเลเซอร์หรือยังคะยังยังยช้าช้านะเอาเป็นว่าปล่อยแสงเข้าไปปุ๊บอิเล็กตรอนกระโดดขึ้นอพอทิลงไปพอทิ้งไประยะเวลาเท่าไหร่แล้วแต่ธรรมชาติของอิเล็กตรอนนั้นๆแล้วแต่นะ แต่สักพักมันจะต้องตกลงมามแล้วมันก็จะปล่อยไอ้แสงที่มันดูดเข้าไปเนี่ยกลับออกมา อ, มอันนี้เข้าใจไหมค่ะโอเคไปต่อถือว่า เ, เป็นมีวิสัยที่ <Okay. S 1> ดีสเต็ปที่2คือถ้าเราให้อิเล็กตรอนมันเด้งขึ้นไปแล้วอ่ะเราต้องรอมันนานครับแล้วแสงที่ออกมาก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าเราปล่อยแสงที่เหมือนกับตัวแรกเมื่อสักครู่เนี้ยใส่อิเล็กตรอนที่มัน excite อ, อยู่ปุ๊มใส่เข้าไป คราวนี้มันจะไม่สถียนมันจะรีบกระโดดลงมาทันทีโดยที่ไม่ต้องรอแล้วนึกออกมามคือปกติถ้าถ้ามันเด้งขึ้นไปเองแล้วมันกระโดดลงมาเนี่ยเราต้องรอสักแป๊บหนึ่งกว่าเขาจะลงแต่ถ้าเกิดเขากระโดดขึ้นไปแล้วแล้วเราปล่อยแสงลักษณะแบบเดิมเมื่อสักครู่เนี่ยให้อิเล็กตรอนคราวนี้อิเล็กตรอนจะกระโดดลงมาอย่างรวดเร็วเลยทันทีเลยล้กันไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วมันจะปล่อยแสงออกมาในลักษณะเดียวกับแสงที่เข้าไปกระตุ้นมันเมื่อสักครู่เนี่ยแบบเดียวกันแป๊ะคือสีเดียวกันมีความ มีความพร้อมเพรียงมีความเป็น coherence เทเรยนะครับและนี่คือหลักการของเลเซอร์ก็คือปล่อยแสงใสอิเล็กตรอนที่มันถูกอยู่ในสถานะกระตุ้นเนี่ยซึ่งเป็นแสงลักษณะเดียวกันปุ๊มออกไปอิเล็กตรอนที่โดดกลับออกมาก็จะปล่อยแสงออกมาอีกตัวหนึ่งเสริมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เข้าไปเมื่อสักครู่คราวนีหน้าตาเหมือนก๊อปี้กันเลยออกไป2ตัวละทาแบบนี้เยอะๆเราก็ได้เลเซอร์ละง่ายห ไ ม, ไม่ง่ายแต่ว่าโอเค <c oughs> ก็พอเข้าใจแปลว่าอันนี้คือไอสไตล์ Star เป็นคนคิดโดย ใ, ในเชิงหลักการกระบวนการนี้เรียกว่า stimulated emission emission คือการปลดปล่อย stimulated ก็คือกระตุน้นคือแทนที่จะปล่อยให้มัน emission แบบแบบด้วยตัวเองเขาเรียก spontaneous ก็คือเกิดเองค่ ะ, ะเราก็ไป stimulate มันปล่อยซะปุ๊มมันก็ปล่อยออกมาแล้วตัวมันก็เข้ามาเหมือนการคล้องจองกันถ้าทําแบบนี้เยอะ ๆ, ๆมันก็ได้โอ้โ ห, โ ห, โหเป็นลําออกมาเป็นเลเซอร์แล้วฟังดูเรียบง่าย นั่นนี่คือหลักการและหลักการของทุกอย่างบนโลกใบเนี้มันอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่ในทางปฏิบัติมันยากนะครับเช่นวิธีทําเงิน1ล้านบาทภายใน1ปีอย่างเงี้ยหลักการอะเรียบง่ายนะเช่นหาให้เยอะใช่ไหมอันนี้ผมคิดนะอใช้ให้น้อยกว่าหาทําทุกอย่างเออลงทุนทําทุกอย่างอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยเรียบง่ายหลักการมันเรียบง่ายมากแต่ทําจริงอีกเรื่องหนึ่ง เลเซอร์ก็เหมือนกันคือหลักการเรียบง่ายแต่อสไตรคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วต้องรออีกเป็นเป็นหลายสิบปีกว่าจะมีคนสร้างมันขึ้นมานะครับซึ่งผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลหลักๆแล้วอาจจะแบ่งออกเป็น2คนนะฮะคนนี้เป็นคนที่มีความสำคัญต่อการบุกเบิกมากๆคนแรกชื่อคุณชาว h เอชทาวคนที่2คือซิโดรไมเมนนะครับอสองคนนี้เป็นไพ er ลอนียร์หลักๆในการสร้างเลเซอร์เลย เขาทำด้วยกันไหมคะหรือว่าเขาแยกกันคิดคนละช่วงเวลาใช่อยู่ช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าคนละ lab ใช่แล้วเขาไปต่อยอดจากทฤษฎีของไอสไต์ยังไงคะทำยังไงไว้ก่อนแต่อยากรู้ไหมเขาทำไปทําไมเออคือคือคือเมื่อกี้ที่ที่ฟังเออเมื่อกี้ว่าปล่อยแสงกระตุ้นนั้นนู่นนี่ซับซ้อนทุกอย่างแล้วเครื่องใหญ่เท่าตู้เย็นอ่ะมันไม่มันไม่ได้คือถ้าถ้าต้องสวัสดีครับผมเอาเลเซอร์พอยเตอร์มานําเสนอครับง่ายเห็นมาเห็นมาเครื่องเท่าตู้เย็นอย่างเงี้ย โหมันเอลังไารนะมันจะไม่มีคอนเสิร์ตสเตจแบบอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เครื่องกําเนิดเลเซอร์มันเล็กนิดเดียวนะฮะแต่ก่อนมันใหญ่โตมากจนแบบอืคุณชาวเอสทาว์ยังพูดด้วยซ้ําครับว่าผมก็รู้สร้างขึ้นมาทําไมคือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันมีประโยชน์อะไรในตอนแรกอ่ะแต่ว่าก็ทําไปก่อนอย่างเงี้ยเหรอเราทำในสิ่งที่ทําได้คือไพลอนียมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือมันมีคนถามเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องฟิสิกส์แบบนี้เยอะมากรู้ไปทําไมสร้างไปทําไมอย่างเงี้ยไอรู้ไอ ไม่รู้ไปทําไมอ่ะคือถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จะใช้ทําอะไรใช่ป่ะดังนั้นดังนั้นมันต้องรู้ก่อนไอ้คนสร้างก็บอกเหมือนกันว่าคุณต้องสร้างมันให้ได้ก่อนแล้วใช้ทําอะไรอ่ะเดี๋ยวมันตามมามันอาจจะไม่ตามมาก็ได้นะอแต่ถ้ามันจะตามมามันต้องสร้างออกมาก่อนในช่วงแรกๆไม่มีใครรู้นะครับว่าเลเซอร์มีประโยชน์อะไรมนุษย์ในยุคหลังจากนั้นหน่อยๆเขาเริ่มมาต่อมาเติมมาพัฒนากันใช่แต่ว่าตอนนั้นเขาก็ทําขึ้นมาโดยที่ยังไม่รู้ว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรไม่รู้ วิทยาศาสตร์เป็นแบบนี้แล้วตอนที่ได้รางวัลโนเบลรู้หรื อ, อยังเขาว่าจับรู้แล้วรู้แล้วใช่ใช่เริ่มเริ่มรู้กันละเริ่มเริ่มได้เห็นประโยชน์ได้ได้เห็นประโยชน์ทั้งในเชิงฟิสิกส์เชิงทฤษฎีแล้วก็การประยุกต์ใช้บ้างแล้วะนะครับแต่ว่าเขาทํำยังไงใช่ไหมอุปกรณ์อันนี้ยากเลยนะอมผมบอกเลยว่ายากแต่จะพยายามเล่าให้ง่ายก็คือเขาจะต้องมีสารเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีเดียมตัวหนึ่งเอาไว้ทําให้ใช้ในการสร้างเลเซอร์ สารที่ว่าก็คืออะตอมที่ผมบอกว่ามันถูกกระตุ้นอะไรพวกนี้นะอะตอมแต่ละอะตอมแต่ละชนิดของธาตุต่างๆเลยพวกนี้ก็จะให้แสงที่มีความยาวคลื่นหรือสีที่แตกต่างกันออกไปนะตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่านักฟิสิกส์จะต้องรู้จักธรรมชาติของธาตุนั้นๆเป็นอย่างดีระดับพลังงานการกระตุ้นอะไรพวกนี้คือจะต้องเข้าใจธรรมชาติของอะตอมละเอียดมากและนี่เป็นสาเหตุที่เราต้องศึกษาฟิสิกส์อะตอมในยุคแรกเริ่มเลยนะคือมันนํามาซึ่ง การใช้ประโยชน์จากอะตอมเลเซอร์นี่แหละคือการใช้ประโยชน์จากอะตอมคือเอาอะตอมมาเป็นเครื่องกําเนิดแสงน่าทึ่งนะอออืทีนี้เขาก็เลือกวัสดุที่เหมาะสมก่อนก็อาจจะมีได้ทั้งทับทิมรูบี้นะครับบางชนิดอาจจะเป็นสถานะเป็นแก๊สอาร์กอนนีออนอะไรพวก <มา S 2> นี้มนาะเป็นตัว medium, มีเดียมเมื่อกี้ <มา S 1> นะคะเป็นมีเดียมจากนั้นเขาก็จะต้องปล่อยแสงอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปให้มันพลังงานสูงมากๆให้ไอตัวเนี้มันถูกกระตุน้นอ แล้วพอถูกกระตุ้มมากๆเข้ามันจะเปล่งแสงออกมาแต่ทีนี้พถ้าเปล่งแสงออกมามันยังไม่เป็นเลเซอร์ครับน้องฟังเขาจะเอากระจกมาปิดหัวปิดท้ายอนึกภาพน ะ, ะปกติเราส่องกระจกแล้วก็มีกระจกแค่อันเดียวใช่ป่ ะ, อ, ะอ่าเราก็เราส่องกระจกบานเดียวอืแต่ลองนึกภาพเราส่องกระจกบานหนึ่งแล้ว เ, เอาข้างหลังมาไว้ข้างหลังเราด้วยอื แสงที่อยู่ตรงกลางที่เกิดมามันจะสะท้อนไปมาระหวางกระจกะนึกออกไหมเหมือนมันส่งหากันเองดึงดึงดึงดึงดึงไปมาระหว่ังกระจกสองฝ้าทีนี้ไอ้ส่วนที่มันเฉยขึ้นไปอ่ะมันก็ไม่สะท้อนไงมันก็เฉยกะเด็นออกไปหรืออาจจะโดนดูดกลืนหรือไปทางที่ทางอื่นส่วนที่เหลือสะท้อนไปมาระหว่างกระจกเนี่ยมันจะต้องขนานกับ เส้นทางระหว่างกระจกมากมมันถึงจะสะท้อนไปมาได้ในส่วนที่เบนจะมีน้อยมากนะครับยิ่งถ้ากระจกถูกออกแบบและเซตอัพให้มันตั้งฉากกันให้ให้อยู่ในแนวขนานกันเป๊ะแบบเนี้ยยิ่งขนานกันไอ้ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องของเอนจิเนียร์ละคือเราจะต้องทําให้มันขนานกันเป๊ะมากๆสุดท้ายเราจะได้แสงวิ่งไปวิ่งมารั่วมากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวนี้ก็ปล่อยมากๆากๆจนมันเข็มคนเรืยแล้วกระจกบานหนึ่งเราจะปล่อยให้แสงหลุดออกมาหน่อยหนึ่งไอ้ส่วนที่หลุดออกมานี่แหละ ก็คือเลเซอร์จะเห็นได้ว่าส่วนที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในทิศทางขนานมากๆเลยเพราะส่วนที่ไม่ขนานมันไม่สะท้อนระหว่างนะั้นตรงเปะ๊ะตรงกันตรงเปะ๊เปะมากๆแต่อย่างที่บอกนะครับมันบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเปะ100๊ะร้อยเอร์ซแต่เทคโนโลยีเลเซอร์ทุกวันนี้เขาพยายามทําให้มันเป๊ะขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองที่มันต้องโฟกัสแสงหนักๆนะแต่ทีเนี้ยระยะห่างระหว่างกระจกจะมีความน่าสนใจด้วยนะอคือ แสงที่มันจะอยู่ระหว่างนั้นน่ะมันไม่ได้มีได้ทุกสีค่ะมันถูกคัดเลือกได้แค่บางค่าความยาวคลื่นเท่านั้น<อ>คล้ายๆกับลักษณะของสายกีตาร์ที่พอดีดออกไปแล้วอ่ะความยาวของสายที่ถูกตรึงเนี่ยมันจะเป็นตัวคัดเลือกตัวเสียงของโนต้ตนั้นๆพอดีใช่มันเป็นวิศวกรรมที่เจ๋ง ม, มากมนะเขาก็เลยได้รับรงางวัลโนเบลใช่แล้วก็สร้างออกมาได้ค่ะแต่แต่นับถือมากเลยนะการที่ทําสิ่งนี้โดยที่ยังไม่รู้ว่า เอาไปใช้ทําอะไร <c oughs> แต่หลังจากนั้นเขารู้ใช่ไหมพี่ว่าเขาเอาไปใช้ทําอะไรอ๋อในยุคนั้นเขาก็รู้กันแล้วฮะมีการทดลองทางฟิสิกส์ทางอะไรต่างๆเกิดจากเลเซอร์แต่ไม่หมดเลยแล้วทุกวันนี้แหลพฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าแหบตามมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศเอาทุกประเทศก็ว่าได้ที่เรียนฟิสิกส์ฮะขาดเลเซอร์ไม่ได้นะอืจะมาตั้งเทียนไขอะไรพวกเนี้มันคือแสงมันไม่มันไม่เวิร์กอะฮะคือถ้าถ้าถามว่าเทียนไขหรืออะไรทำการทดลองที่เลเซอร์ทําได้ไหม ได้ก็ได้แหละแต่มันก็คุณภาพแย่ครับเหมือนเอาเหมือนเอาแก้วขุนขุดมาส่องดาวกับเอาแก้วใสคลีครีอะไรเงี้ยคือมันมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะ <c oughs> คุยกันมาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าไอ้ตอนที่พี่ปองแปงชวนคุยเรื่องเนี้ยเราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องมหัศจรรย์หรือว่าซับซ้อนเยอะเท่านี้เนาะเหมือนมัน เป็นเลเซอร์ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันสวยงามในความซับซ้อนแล้วก็ที่มาที่ไปของมันอะ่ะก็มีความพยายามมหาศาลในการที่จะคิดแล้วก็ผลิตมันขึ้นมานะคะคิดว่าหลายๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็หรือว่าในแวดวงต่างๆก็มีฟิสิกซ่อนอยู่ในนั้นอีกก็เป็นหน้าที่ของใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ที่จะมาชวนคุยกันในเรื่องเหล่านี้ให้ทุกคนได้สนุกไปกับข้อมูลนะคะฟังมาถึงตอนนี้เมื่อกี้ที่พี่ป๋องบอกว่ายากให้ออกไปฟังว่ามีคนฟังอยู่แหละ<อ>มีคนอยู่จนถึงตอนนี้ครับโอเค ก็ใครฟังอยู่นะคะก็ฝากกด subscribe นะคะ u b e c h a n n e ลของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามพวกเรานะคะในทุกๆ podcast player นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears